ที่อาตมาดีนบ่อยเวลาหลวงพ่อคำเขียนท่านสอนนักปฏิบัติธรรมคำแนะนำที่ว่านี่ก็คือให้รู้จกักฉวยโอกาสช่วยโอกาสในที่นี้เนี่ยไม่ถึงไม่ได้หมายถึงการหาช่องทางเอารัดเอาเปรียบใคร แต่มายถึงใช้โอกาสในการเจริญสติใช้ทุกเวลาทุกกิจกรรมทุกอิเรียบทในการเจริญสติแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบคือเดินจงกรมสร้างจังหวะอิเรียบทน้อยใหญ่หรือว่ากิจวัตร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 เราคอยเพื่อนนัดเพื่อนเอาไว้เพื่อนยังไม่มาถ้าไม่ฉลาดนะไม่รู้จกักโชว์อากาสก็จะกลายเป็นว่าเปิดช่องให้ความโกรธความหงุดหงิดมันมาครอบงาใจรังควาเล่นงานจิตใจของเราแต่ระหว่างที่เราคอยเพื่อนเราก็ชโชว์อากาสน ะ, จะเจริญสติครึ่งนิ้วเบา คกมือไปมาอาจจะไม่ต้องถึงกับสร้างจังหวะก็ได้เพราะว่าคนอาจจะแย ะ, แยะเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ในเมืองอเราคอยรถเมล์ระหว่างที่คอยอยู่นั่นก็โชว์อกาศซะเลยโชยว์อกาศเจริญสติอันนี้มันกลายเป็นได้กำไร ถ้าไม่ใช่โอกาสนี้ขาดทุนนะกิเลสหรือว่าความทุกข์มันจะใช้โอกาสเล่นงานเราเราจะโช้โอกาสทุกโอกาสในการเจริญสติสร้างกุศลให้กับจิตใจหรือจะปล่อยให้กิเลสและความทุกข์นี้มันใช้โอกาสเล่นงานเรามี2ทางเลือกเท่านั้นแหละ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 ก็ทำให้เราได้โอกาสในการเจริญสติตมากขึ้นโชวยโอกาสในทุกเวลาโชวโอกาสในทุกิรียบทรวมทั้งไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์ใดนะต้องโชวโอกาสให้เป็นมีอะไรมากระทบกับเราไม่ว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจ หรือไม่น่าพอใจที่เรียกว่าอิทธารมหรืออนิธารมรูปลถกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจทำให้ใจเราฟูเราก็มีสติเห็นใจที่มันฟูขึ้นมาไม่หลงเพลินะเวลามี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 โกรธยุงโกรดแมลงอยากจะตบอยากจะบี้มันหรือแม่แต่อยากจะปัดมันไปไกลๆ น, นั้นถ้าเรามีสตินะรู้ทันใจรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดนะนี่ก็เท่ว่าเราได้กำไรแนละ้วแม้ว่าจะปวดแม้ว่าจะคัน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 ก็เล่าให้พระ อ, องค์กริมาลฟัว่าพาระพุทธเจ้านี้สอนอะไรพระพุทธเจก็สอนว่าเมื่อมีคนตําหนิต่อว่านะก็ให้ถือโอกาสนะในการเร่งทําความดีเขาต่อว่าเขาวิจารณ์ว่าเราไม่ดีไม่ไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้นะก็ให้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 สร้างกุศลให้เพิ่มพูนมากขึ้นไอ้ที่ไม่ดีก็แก้ไขให้เป็นดีซะหรือว่าที่ดีอยู่แล้วก็ทำให้ดีมากขึ้นอันนี้เรียกวเป็นผู้ที่รู้จักหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆทั้งบวกและลบพระองค์ตรัสว่าเนี่ยผู้ใดที่รู้จักถือประโยชน์จากอิทธารมและอนิถารม ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตอิทธารม์ก็คืออารมณ์ที่น่าพอใจนะลุดลกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจแล้วอิทธารมณ์หรื อ, องทีเราก็เรียกง่ายๆว่าลาบยศสุขสารเสริญนะก็คือโลกธรรมสฝ่ายบวกอนนีิถารม์ก็คือ รูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจที่บีบคั้นทำให้เกิดทุกขเวทนาเรียกยาหนึ่งว่าเนี่ยเสื่อมลาบเสื่อมดดนะดินทาแล้วก็ทุกนะคนส่วนใหญ่นะเวลาเจอสุกก็ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากมันก็คือว่าเพลิดเพลินกับความสุข ล้วก็เลยไม่เป็นอันทำอะไรพอสบายแล้วก็เลยนั่งเล่นนอนเล่นหรือว่าประมาทนะอันนี้เป็นโทษแต่ถ้าเกิดว่ามีความสุขละอ่าก็ใช้โอกาสนั้นเนี่ยนะทความดีเช่นพอสบายแล้วก็มาเจริญสติทำให้อ็เป็นช่วงที่ร่างกายและจิตใจปลอดโปรง่งสุขกับสมาธินี่ มันควรจะมาด้วยกันนะคือพอสุขแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยนะอยากจะบำเพ็ญสมาธิสมาธิในที่นี้ก็คือภาวนาจะคนส่วนใหญ่พอสุขแล้วก็ อ, อ, อยากจะนั่งเล่นนอนเล่นนะไม่ทำอะไรหรือว่าพอมีสุขภาพดีอย่างคนหนุ่มคนสาวนะมีร่างกายแข็งแรงก็ใช้ร่างกาย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 ในวนะัยที่ยังมีพลาน้ำหม่นั่นในทางตรงข้ามนะเมื่อเจออนิจธรรมเจอสิ่งที่มากระทบที่ทำให้ไม่สบายก็รู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเรื่องต้วแกมีสตินะมีสติเห็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น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 ได้ทนนั้นนะแต่ยังสามารถจะเห็นต่อไปว่าโอ้ความโกรธนี่มันมันแสดงว่าเรา ย, ยังมีทิฏฐิมานะอยู่นะทําไมถึงโกรธนะก็เพราะยังมีความสําคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนฉลาดนะฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนเสียสละ ฉันเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พอเขาพูดหรือเขาตำหนิเราในทางตรงข้ามเนี่ยมันโกรธขึ้นมาเลยนะคือถ้าไม่สำคัญตนมาหมาว่าฉันเก่งเนี่ยใครเข้าว่าอะไรเราเราก็ไม่ได้โกรธอะไรถ้าไม่สำคัญตนว่าฉันเป็นคนดีจะเป็นคนเสีสละใครเข้าว่าอะไรเราเราก็ไม่โกรธ ความถือตัวแบบนี้แหละเนี่ยเรียกว่ามานะาคนมีมานะนี่มันชอบชูธงนะชูธงให้โดดเด่นให้เห็นอย่างที่เมื่อกี้เร า, าสวดพุทคุณร้อยประการเนี่ยก็มีประการหนึ่งที่พูะเจ้าท่านบรรลุแล้วคือความเป็นผู้ที่ไม่มีมานะท่านเปลี่ยนมันก็ลดธงลงนะลดธงลง คนเรานี่มักจะชูธงอยู่เสมอนะคือชูอัตตาไอตอนที่ชูอัตตานี่ไม่รู้ตัวนะมารู้ตัวตอนที่เขาว่าเราพอเขาว่าเราเช่นว่าเราชูธงหรือเราสําคัญมากหมายว่าเราเก่งพอมีคนตําหนิว่าเราทําไม่ถูกอย่างานู้นทําไม่ดีอย่างนั้นนี่มันโกรธขึ้นมาเลยหรือพอเราที่ว่าเราเป็นคนที่มี ความเสียสระเอื้อเฟื่อพอมีคนพูดถึงเราว่าเราเห็งแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองนี่มันโกรธขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเป็นการกระทบนะกับอัตตาของเราที่เรายึดมั่นถือมั่นบางทีไม่เห็นนะไม่เห็นตัวมานะไม่เห็นอัตตาตัวนี้ไม่เห็นก็ตอนที่โกรธ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 ทำดีนี่สำคัญกว่าเป็นคนดีนะให้เป็นคนดีนี่มันก็อาจจะทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าฉันดีฉันประเสริฐกว่าคนอื่นเกิดความหลงตัวลืมตนอีกแบบหนึ่งมันจะเกิดอาการยกตนข่มท่านได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราขยันทําความดีโดยที่ไม่ไปสนใจว่าจะเป็นคนดีอันนี้ดีกว่า ทำความดีโดยที่ไม่เป็นคนดีหรือไม่สําคัญมั่นหมายเป็นคนดีความสําคำมั่นหมายเป็นคนดีนั่นก็ยังเป็นทิศี่ยังเป็นมารณ์ตัวหนึ่งก็ยังนําไปสู่การเกิดพบเกิดชาติแต่เราจะไม่ค่อยสําคัญไม่ค่อยเห็นความสําคัญมั่นหมายตรงนี้นะจนกว่าจะมีคนมาว่าว่าเราไม่ดีมาว่าว่าเรานะ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 แค่นี้นี่ก็ฉุนละไม่ต้องจ่วงจาบถึงพ่อถึงแม่นะเพียงแค่พูดเท่านี้นี่ก็โมโหแล้วนั่นแหละตัวมานะแหละะต้องฉลาดนะในการที่จะมองให้เห็นพอเห็นกิเลส ต, ตัวนี้แล้วอะเราก็จะได้รู้ว่าตัวนี้แหละมันคือธงที่เราชูดโดยที่ไม่รู้ตัวนะต้องรู้จักลดมันลงบ้างเอามันลงบ้างกำลามันบ้าง แล้วอาจจะขอบคุณได้ซ้ำเออที่ขอบคุณที่เขาว่าเรามันทําให้เราเห็นกิเลสตัวนี้นี่คือวิสัยของบัณฑิตนะนี่คือวิสัยของนักปฏิบัติธรรมที่รู้จักหาประโยชน์จากอิทถารมและก็อนิถารมณ์อันนี้รวมไปถึงเวลาเกิดความเจ็บความป่วยความสูญเสียพัดพรากอย่างที่พูดเมื่อวานซึ่งเป็นธรรมดาโลก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 ที่ได้นะก็คือมันฝึกเราให้อดทนเข้มแข็งนะเวลาเจอความเจ็บความป่วยนะความการภา พ, พ, พสูญเสียนี่นะมันฝึกนะมันฝึกใจเราอย่างแรกคือฝึกให้เราอดทนรวมทั้งเวลาถูกต่อว่าถูกตาหนิให้เราอดทนให้เรามีขันติให้เรามีความมั่นคงเข้มแข็งในจิตใจแต่นอกจากฝึก ขันติแล้วนะยังสามารถจะฝึกสติให้เราได้ด้วยทุกเหตุการณ์ไม่ว่าบวกหรือลบนี่สามารถที่จะเอามาใช้ในการฝึกสตินอกจากสติแล้วก็ได้ขันตินะยุงกัดก็ฝึกขันติได้เออทำงางเราจึงจะสงบนิ่งได้โดยที่ไม่ไปทาร้ายมัน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 ยังทุกข์พ่ออะไรพ่อยังมีความยึดมั่นว่ามันต้องไม่ป่วยมันต้องแข็งแรงอายุยังไม่มากเลยทําไมป่วยแล้วยังไม่ทันถึงเจ็ดสิบเลยนะทําไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วยังมีความยึดมั่นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยึดมั่นว่ามันเที่ยงยึดมั่นว่าเป็นของเราให้ความรู้จะเกิดขึ้นเนี่ยมันสอนมัน มันฟ้องนะว่าเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เพราะนั้นต้องรู้ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องปล่อยวางโรคภายใค้เจ็บนี่มันสอนเรานะให้รู้จักปล่อยวางไม่ใช่แค่ความอดทนเท่านั้นนอกจากสอนเราแล้วมันยังนอกจากฝึกใจเราแล้วมันยังสอนใจเราด้วยสอนใจเราให้เห็นความจริง ให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารให้เห็นว่าร่างกายนี่มันเป็นรังของโรคนะมันมีความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนนี่ก็ไปหลงเพลิดเพลิในร่างกายนี้ว่าจะเป็นที่มาแห่งความสุขเอาคนทุกวันนี้เนี่ยถือเอาร่างกายนี่เป็นแหล่งหรือที่มาแห่งความสุขนะพยายามประดับประดาร่างกายพยายามใช้ร่างกายนี้ในการเสพสุข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 เริ่มเหี่ยวย่นแล้วเนี่ยเป็นทุกข์แล้วเพราะรู้สึกว่าคนเพรรู้สึกว่ามันจะไม่ดูดีในสายตาของใครอันนี้เป็นเป็นความหลงของคนในยุคนี้มากนะถึงกับไปไปดัดไปแปลงไปผ่าเพื่อให้มันดูดี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 เช่นไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวมันกลืนทรัพย์สมบัติไปหมดอันนี้เรียกว่าพากักลืนสู่ธรรมชาติหรือไม่ฉะนั้นก็กลายเป็นของคนอื่นไปซะอย่างที่เ็าเรียกสมบัติผลัดกันชมนันหมนี้คือสัจธรรมนะที่อ น, นิถารมสอนเรานะคือสัจธรรมที่เหตุร้าย เขาสอนเราเราต้องรู้จักฉลาดนะสามารถจะมองเห็นสัจธรรมจากเหตุการเหล่านี้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่รู้จักถือประโยชน์หาประโยชน์นะจากอ น, นิจฐารมอันนี้คือการรู้จักช่วยโอกาสช่วยโอกาสจากแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ร้ายๆในการที่จะ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 ฝายภายนอกก็ได้ส่วนอกุศลธรรมนี่ก็คืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจภายในทั้งอนิจฐานลมแล้วก็อารมณ์อกุศลนี่โดยและแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะถ้าว่าเรารู้จักมองรู้จักใช้มันรู้จักหาประโยชน์จากมันถ้าเป็นเช่นนี้นี่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นนะ อยูที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าเครื่องทดสอบ น, ะนักปฏิบัติธรรมคือว่ารู้จักหาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่มันแย่ๆหรือว่าจะอนิจจารมรวมทั้งอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในใจหรือเปล่านะถ้ายังยังหาประโยชน์จากมันไม่ได้ก็ยังเรียกว่าสอบไม่ผ่านนะไม่เป็นไรก็สอบใหม่ได้ยังมีโอกาสที่จะสอบซ่อมได้อีกหลายครั้ง เรายังมีเวลาอาล๋อนนี้ก็บเพื่อเท่านนี้นะ